นี้ผมจะไม่ได้มาบรรยายก็ภายในสองสามวันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยผมจะมาเป็นครูเอื้อขอใช้ว่าชื่อผมชื่ออนเนกนะครับแต่ครูเอื้อคือจะมาเอื้ออํานวยให้ทุกท่านระดมความคิดเพื่อทบทวนตัวเองกันได้รับทราบจากคุณหนึ่งฟ้าว่าชาวอาโศกเนี่ยทุกอโศกเลยนะครับมีภาพหนึ่งเมื่อกี้ภาพชาวอาโศกก็เดี๋ยวภาพ วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีที่ชาวโอโศกจากทุกโอโศกมารวมตัวกันนะฮะคือไม่ว่าสันติโอโศกลาดทานโอโศกภัยสาลีโอโศกก็ไม่มีอะไรภาพไม่อาจจะไม่ประเด็นคือฟังเจ้าคุณหนึ่งฟ้านะครับซึ่งได้ติดต่อผมว่าจะเป็นโอกาสดีที่ให้ทุกคนได้ทบทวนตัวเองการทบทวนตัวเองทางโลกุตละก็คือการนิ่ง นิ่งแล้วดูใจใช่ไหมครับผมก็ฝึกภาวนาเหมือนกันบางครั้งก็ประเด็นก็คือว่ า, าถ้าเราจะมานั่งทบทวนกันเนี่ยก็คงต้องอาศัยทุกท่านซึ่งเป็นชาวอาโศกทั้งนทุกไม่ว่าจะมาจากทุกชุมชนนะครับเราวันนี้มารวมกันเป็นที่ราาัฐนาอโศกด้วยเหตุผลว่าเราอยากทบทวนตัวเองกัน ตอนที่ผมฟังจากคุณถึงฟ้าแล้วก็กรรมการบางท่าน น, นีการทบทวนตัวเองเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือการนิ่งนิ่งจากทุกสภาวะของพัสษะแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าชาวาสอสกเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ไภษาลีอยู่สันติอยู่ปูผาฟ้าน้ำอยู่ทะเลธรรมด้านซ้า ย, นยในตัวหนังสือเล็กหน่อยก็ทำอย่งางไรจะการแตกกระจายในอดีต น, นะครับ อดีตเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักชาวอาศกเนี่ยเป็นผู้สังเกตการแล้วก็สนับสนุนอยู่ภายนอกนอ ก, ก็เห็นว่าชาวอาศกแตกตัวไปเยอะมากก็เป็นภาพแรกเป็นอดีตนะครับแต่นี้ถึงวันนี้ปัจจุบันเนี่ยฟังจากคณะกรรมการหลายท่านและคุณหนึ่งฟ้าที่อยู่ที่ลาดานิบอกว่าพ่อท่านมีเจตนารมณ์ที่อยากจะทำให้ชาวอาศกเนี่ยที่แตกกระจายไปเกหรือสิอาศกอะแต่ ได้รวมกันคำว่าเอ ก, กภาพของชาวอาโศกที่ที่ผมย่อส่วนเนี่ยมันต้องอาศัยการเหมือนกับรวมสติของเรารวมอารมณ์เราให้เป็นหนึ่งนะครับการรวมอารมณ์เราให้เป็นหนึ่งและอารมณ์ที่นิ่งและอารมณ์ที่ว่างเนี่ยยากฉันใดการรวมตัวของพวกเราวันนี้ก็ในส3งสาวันก็จะไม่ง่ายฉันนั้นนะครับขอโอกาสอาจารย์คนนีพ่อท่านพร้อมแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราฟังพอท่านก่อนนิดนึงคะ่ะครับ ออตัดไปเลยพอนี้ร้องมันโดนมากขึ้นมูเทคนิคนองต้างใจคข้งเอาใจร้องไม่ได้อ่าเป็นไงอ่าจะเดินทนทุกคนอ่าฝนตกไหมคตอนเนี่ยนะที่นี้กำลังตกแม่แๆ่แม่แม่เเนี่ยที่ปฐมเนี่ยเป็นราดตกไหม ไม่มีเสียตตนตอบแสดงว่าไม่ต ก, ไ ม, ตกไม่ตกก็ไม่รู้ราะว่าไม่กอ่าก็คงมีเวลาไม่มากอาจาก็จะพูดถึงที่ทาอยู่นี้เราว่าเรื่องีสอตกันเนี่ยทำมาหลายทีหลายครั้งในเรื่องสอตเนี่ยนะเราเคยทำมา ขึ้นั้นออกภาคพอทำหน้าเสร็จก็ต้องออกสนามมาทำอะไรอะไรกันอยกในวาเคยไปถึงสัปเทียนิัตบมาก็ไม่ได้ทำท่าที่เราได้จัมรท่าไรเลยผมนี่เลอาจจะมาว่าถ้าเราทำตามนี้แล้วทุกคนก็เห็นว่าเรามีอะไรแข็งอะไรก่อนตามหลกการพอสโตร เร า, เร า, เราต้องรู้พอไรพอเดินกลยุทธ์แล้วเราเลือกต่ทำพยายามทำจริงๆอยา่ยาให้เสียปเปล่าที่เวลาเกล่าทาจริงๆตอนนี้มันจะ ย, ยุบเลยก็แหลกลอยแหลกเปล่าแหลกเราควรจะทำจริงๆกันดูถ้านั่เห็นผลเองถ้าเพระว่าเราไม่ทามันก็ไม่เกิดผลได้ึ้นมาแน่นอนแต่อาจจว่าว่าสองเป็นคนดีแล้วเราเป็นคนที่มาู่แล้ว จะสมองกีสมองประมาว่ามัอบเป็นแล้วนต่ยิ่งสมองมาด้วยนะรู้ของจริงจุดจริงพ่อหกล้องพแข่ไปอะไรไปต่างนานาตรว r สอบข้อมูลแล้วยิ่งดีอย่างนะแล้วก็เรยนในทองเท่นั้นเอง แล้วก so, ็ไม่มีอะไรแล้วต้องมาว่าพูไปแล้วพอรายเอียดตามต้อมาทในรู้คุณมีอะไรบ้างแต่ก็ไม่จเป็นต้องรู้เราโคคุณทูคอยู่แล้วโดยจะทำอย่างที่ว่าเท่านัเองระทับมาแล้วกันก็แสดงความดีดีด้วยนะแสดงความดีดีด้วยจะไม่ต้องพยายามคนฟาเอาใจสพยายามพักเกียรติอะไรให้มันรู้สึกคนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ่าน็ไม่พาไปยาที่ ากาับถือสองอางที่การับต้งใจกั่ถ้าเราเรามีจิมุ่งมันอย่างนี้จะบกว่ ม, มันเป็นา ส, สังคมพัฒนาได้ในหมากรนแต่เรานีเรามีจิตวิญญาณเป็นประท า, านือจิตวิญญาตัวตั้ซึ่งคนที่ศึกาทางโลจิตราแล้วมีจิตวิญญาณในตัวตั้งเนี่ยมันเสียแรงน้อย มันมีกำลังสร้างมากส่วนเสียมันน้อยเพรเสียสี่สิ้นสุดเป็นเรื่องโลกโลกเร่องในสมองเรื่องอะไรแล้วแต่สถานทางโลกมันลดลงมันพลังงานแคอรี่ต่างมันอพับหมดมาออกมาเป็นพงานสร้างที่มากกว่างานที่วันยังไอย่างไรมันก็เป็นผลเป็นปเป็นขาดเสียจำนวนอ่า เพราะงั้นมันก็ตั้งใจดีๆเราจะเห็ยนการตราบ้านเข้าหน้าคือเราเติมปลี่ยนใว่าเราหยิบเติเปลี่ยนจะต้องไม่ได้เอาเปลี่ยนใครนะที่เราได้เปลี่ยนรือว่าเราได้อะไรมา ก, กปเป็นเพราะว่าเราทำตัวพวกเราเปลี่ยนนาตัวพวกเราลางสิ่งที่สูญเสียสิ่งทลายในตัวเราเองแต่ละคนและแม้กัในสังคมเดกัน ไอสิ่งที่จะมนั่งเสียเวลายังโ้นอย่างนี้ไม่ว่าจะโรกรอมอะไราพาเสียเวลาเสียแรงงานเสียจุนรอนตั้งนหนัเพราะเราก็มีบทันวุ่วร่อโกไม่วุวรื่องกรอบก็ไม่มีหมือนต้นเราก็ไม่เสียอะไรแรงงานจุนรอนเวลาเรไม่เสียทั้งนั้นสิ่งที่แทนจะไปเสียเราต้อามาสร้างเอามาพัฒนาต่วนั่นเองนี่เป็นตัวสำคัตองบอกว่าเราเองเสามารถที่จะทจิตใจ ให้เป็นแบบที่ว่าไม่ได้ลโลลดออกไปจริงได้เอ้ยนี่ชัดเลยว่ามันมีคุณค่านะมีคุณค่าพรามันไม่ใช่ศาสนาแบบนี้ไปดูป่าเขาทนี้ไม่รู้เรอรู้เมทำอะรเป็นหยู่ก็เลิกไปเลยต่างนานมันไม่ใช่เพราะมันมีโลกุตระนะมันมีโลกุตรจิตมันมีโลกโลกวิถูมันมีโลกการกําปะมแทจริง มันทำงานช่วยโลกอนุเคราะหโลกอยู่จริงๆมันรู้จักโลกอยู่ปันโลกแล้วก็มีจิตเนือโลกจริงจิตแท้จริงาันจะประโยชน์กันแท้จริงเราจะสู่ความจริงนี้กันให้ดีๆแล้วเราก็จะเป็นผู้มีคุณค่ามีประโยชน์แเราเป็สบายการเจริญพัฒนาโยทั้งต่อไปอีกชาติหน้าชาติหน้าเลยะจนที่สุดแห่งที่สุดทีาวรจะเดียน อาตมาว่าพอคงจะต้องใช้เวลาแค่นี้พอทีนี à, ้ก็จะเร่งประชุมก <th> ันโดยจำกัดเวลาขึ้นมาด้วยก็เลยก็ต้องขอฟูดสรุปตรงนี้ก็เป็นการกระรอยความทุกคนเออคุณจะมีอะไรรับนะมควาว่าเรายังไม่อนาโยบายพักนโยบายพักกลับกลาบมาพักก่อนก็เคยกับช่างบัญชาแล้วว่าเราทำงาน พักของเราเนี่ยไม่ได้เป็นทำ ง, งานที่จะไปเพื่อว่ากออกไปให้ข้างนอกเขายื่นเข้ามาหาเราต้องเขาเขามียื่นที่สมองเราเลยเราไม่ต้องไปออกแรงในการหาข้างนอกเขาหรอกจำตรงนี้ให้เข้าใจในนโยบายพักหนึ่นางเราทำงานเราทำ ง, งานกลับกล่าวนาส ก, การข่าวพ่อครูคอ่อขณะนี้ทางมหาวิชารามนาวาบุญนิยม ซึ่งเกิดขึ้นตามนยโยบายในการยกระดับบ้านวัดโรงเรียนนะคะให้เข้าสู่การที่ทำขยายยกระดับคำว่าบ้านนี่ให้เข้าสู่ความเป็นเอกีพาวะของเครือแหชาวอาโศกทั้งหมดแล้วก็เพื่อพิสูจน์ถึงความไอาการเมืองอริยะในการที่จะ เ, เป็นหนึ่งเดียวกับคำว่าวัดนะคะ ด้วยการยกระดับการศึกษาเข้าสู่โลกุตระณวันนี้เนี่ยจากสืบเนื่องจากนโยบายที่พ่อครูให้มาในการยกระดับดังกล่าวก็จะนํามาสู่ขบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ในการทํางานเพื่อให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์วันนี้จึงใคร่กลับขออนุ ญ, ญาตพ่อครูได้ช่วยยืนยันหรือตอกย้ํานโยบายที่พ่อครูอยากจะให้พวกเราชาวโศกได้ดําเนินกิจกรรม อ, inh. อย่างที่พ่อครูต้องการนะคะอ้าวก็ถูกแล้วไงคือเราเองเราปฐตมาบอกแล้วว่าบ้านวัดโรมเมืองเนี่ยยกฐานนวัดให้ขึ้นสู่ความเปางบ้านก็คือสังคมที่พวกเราพัฒนาอยู่แล้ววัดเรื่องการเพิ่มเพิ่มความรู้เพิ่มความเกี่ยวข้องรุ่นเพิ่มความทํางานอะไรต่างๆซึ่งเราก็ทําอยู่แล้ว ขนะนี้ก็ออกมาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราจะมีมนโยบายที่ชัดเจนแล้วว่าเราออกไปจะมีพอออกไปแล้วเราก็จะปรับเข้ามาสู่หมู่กลุ่และเราก็จะลดะพยายามจะไม่พอดีกับเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งหลายรมันเป็นะชบนี้นสอบคล้องเลยที่เราตั้งใจอยู่แล้วว่าเสร็จจับจุ น, นข้อนี้เนี่ยเราก็จะกลับเข้ามาสู่ดวงดาวเราก็จะต้องม า, าง า, านก็บตลาดก็เราก็ทำงานการเมืประชาชนกันที่เราทําอยู่แล้วเนี่ย เราทำคามเปนชาวชนเราก็ทำอยู่กับแววงทีน่นี้เราไม่ได้ออกไปไม่ต้องไปเอ็นดิกกด้ทางสังคมข้างนอกทางอาจจะเช่อนอ เ, เราเองเขาจห้ามเขาไมา่เราเปิด FM อยูแ่แล้วก็ไม่เป็นไรในควเงียบๆแล้วก็ดไปื่อยๆเราไม่ติดโปอะไรในตัวข้างนอกเราแม่แต่ข้างในของเราเราป็ทําการเมืองขาวต้นาชาติซึ่งเราออกกว้างไม่ได้ต า, นามากกน้องระเจ้าชน อันี้เรามีแรงเ ร, งเรมีหนักบุคคลอะไรเท่าไรแต่มีทุนมีรอนเท่าไรแต่น้อยนะแล้วก็ช่วยลดตัวไฟาการมีการช่วยลดตัวไฟแล้วก็ช่วยลดประชาชนอยู่ตามที่ช่วยนี่แหละก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มาหาเราทำนั้นอยที่พูดไปแล้วแล้วก็มาหาเราตะจำเป็นอกน้ํนนน า, นาท่วมเขาก็มาขอแรงเราเอายึมเรือจากท้องแบงก์ไปเจ้านั้นสามลำห้าลำเจ้านี้แล้ขก็ช่วยกันไปอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งมันก็เป็นการเมืองพเพราะว่ามันเรื่อ ง, ง, งช่วยประชาชนจริงแม้แต่คนจะมาขอให้ไปดำน้าเอาเรือขึ้นมาเรือลม อ, อออาขึ้นไม่ได้ขอแรงอะไรก็ไม่ช่วยไม่อแรงเป็นอยนี้อย่านี้เป็นต้นเราก็ทําอยู่ในภาคประชาชนพวกนี้แ ม, ม, ม้แต่จะขอจะสร้างจะทําอะไรพวกนี้เราก็ดำเนินเรื่อ ง, ออง ต, ตอนนี้มาติดฝนก็เลยมีจะทํพยายามจะทำถนนช่วยเขา เราจะทำตาตาไปทำอะไรไปเราจะทำ อ, ทำอย่างไแหวกลงนี้แหละนี่คืองานการเืองที่เพิ่มขึ้นแต่ในขยายกว้างออกไปในรามีลงมาสึ่งจะบอกแล้วไอ้ระนีลงมาพูดแล้วไอ้เรื่องการเืองก็จะออกมีสมัติเอาสริงเราจำจงมาเห็นมันเป็นัวเป็นไฟเนี่ยมันเป็นภาพะมันเป็นอะไรที่ตาย้นที่้นนี่คือสิ่งที่ยอ่อๆสรุปในฝังวมันไม่มีพลาอะไรเลย ผลวิจัยการก็ดีแล้วพัฒ น, นาขึ้นในศึกษาเป็นจอมจังจะเป็นอาูมณ์ศึกษาที่เป็นเป็นดูเป็นเรื่องเปดูเป็นร้านใบายหมในประัติาสตร์ที่ เ, เราทำทุกด้านตัวเองค่ะจากนโยบายที่พ่อครูให้มาเมื่อกี้นะคะก็จะนําเข้ามาสู่การแปรให้เป็นการปฏิบัติว่าเราจะสามารถทําอย่างที่พ่อครู กำหนดนโยบายไว้ให้ได้อย่างไรนะคะซึ่งก็จะเกิดจากการที่อาจารย์ไอเดกนาคบุตรก็มาช่วยเป็นเป็นครูเอื้อนะคะให้ความให้ความเอื้อเฟื้อในการที่จะระดมความคิดเห็นของพลังสมองพลังความคิดเห็นพลังปัญญาของเหล่านิสิตวอบอที่เกิดขึ้นที่รวมกลุ่มกันในครั้งนี้นะคะ่ค่ะแลพ่อครูเอานะค่ะ อ, นะอ้ามตอนนี้แล้วนั่งกันนะ อัาจะประชุมต่อเด้ก็จะเป็นเลสามสี่สหนาทีสุดท้ายให้เขจะมาอะไรกันเมื่อไหร่ที่เราเคยทำก็เห็นเราทําก็อยากจะทํ่าน้นบ้างมีการสรุปมีการถ่ายเท้ามีกายบอกแจ้งมีการคมเมมีการอะไรกันเมื่อยห่ที่เราศึกษาน้น เ, เรื่องว่ามันเกิดการพัฒนานะพัฒนาการที่เราทำการศึกษาเราเขาเห็รูปแบบนี้ก็ต้องมาทาที่จริงน ก็จะระดมสมองกันต่อแล้วก็ถ้าปเป็นเรียบร้อยแล้วก็ะจะได้ไรยายงานกราบขอบพระคุณค่ะกราบมาสการค่ะประการสำคัญก็ซึมเนื่องจากที่ทุกท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วครับเมื่อกี้ว่าสืมเนื่องจากภารกิจของพักเพื่อฟ้าดินที่พ่อท่านมอบหมายภารกิจให้มาวันนี้เราเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของชาวโศกในการยกระดับความรู้ที่เป็น ให้เป็นการศึกษาโลกรุตระนะคะก็คือว อ, อบอที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในการยกระดับตรงนี้ก็จะนํามาสู่การที่จะทําให้เมื่อสามารถลดละกิเลสได้มากขึ้นมากขึ้นในที่สุดจนถึงขั้นหมดไปก็จะส่งผลให้เราสามารถทําประโยชน์ต่อสังคมได้ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการเมืองอริยะและตัวการเมืองอริยะที่พ่อครูจะพาเรานําทําต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์ใหม่ของก้าวย่างสังคมไทยและสังคมโลกให้เห็นว่าการเมืองอริยะกับเรื่องของาศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกัน จากคำว่าวัดนี่นะคะมาเป็นมาเป็นการเมืองอารยะนี่คือการพิสูจน์บทนี้ซึ่งถ้ามีศักยภาพสูงพออนาคตกฎหมายรัฐธรร ม, มนูญจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนี้ว่าไอการที่เขาเคยห้ามนักบวชไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นวงเล็บของเราเองนะคะทีนี้เมื่อเราสามารถทําการเมืองอารยะได้ดีสังคมบ้านเมืองก็จะต้องอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นใช่ไหมคะ สังคมกลุ่มแรกที่ควรจะอยู่เย็นเป็นสุขก็คือเครือแหชาวโศกทั้งมวลที่รวมกันเป็นเอกีภาวะเป็นหนึ่งเดียวนี่คือบทพิสูจน์ที่เราจะทําสิ่งเหล่านี้แล้วถามว่าเราจะทําได้อย่างไรวันนี้แหละที่เราจะมาระดมสมองกันว่าเรามีโอกาสอะไรในสังคมที่มีอยู่ขณะนี้ปัจจุบันนะคะแล้วมีภัยคุกคามในส่งตัวไหนมีอะไรที่เป็นจุดแข็งและจุดได้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้เราจะช่วยกันระดมในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจริงจะเจาะลงรายละเอียดในแต่ละผาฐานงานว่าเราจะ เอาจุดเด่นมาอย่างไรจะกแก้จุดด้อยอย่างไรนะคะก็จากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อันนีค่ะขอบคุณค่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะก็คงได้ยินความตั้งใจของพ่อท่านนะครับที่ชาวศพ เพมารวมตัวกันวันนี้นะครับคือทุกท่านก็เป็นจะเรียวเป็นนักศึกษาผู้กล้าหาญของวนบอนนะครับที่จะสถาปนาความรู้แล้วก็สถาปนาชาวสุขที่จะไปรับใช้อนาคตในการเกื้อกู้โลกในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะปีหน้าเราก็จะเจอหายนะภัยอันหนึ่งซึ่งผมบอกให้ก็ได้คือการเปิดประเทศเป็นเสรี เราได้ยินคอสชอคืนความสุขให้เราไม่ลุกสุขจริงไหมนะคือเปิดเขตเศ ร, รษฐกิจเสรีขณะที่เขตเศ ร, รษฐกิจเสรีทุกท่านคงทราบ ป, ปีสี่หนึ่งเราก็เกิดหลายครั้งหนึ่งมาแล้วครับปีสี่หนึ่งเกิดอะไรครับต้มยำอะไรครับนั่นเสรีทางอะไรครับเสรียันเดียวการเงินแล้วปีหน้าเราจะเปิดเสรีห้าอย่างนะครับไปหาความรู้เองว่าห้าอย่างอีก4ี่อย่างคืออะไรนอกจากการเงินการเงินใครชนะครับ ประเทศ ไ, ไทยชนะหรือแพ้เเลและอีก4อย่างอะไรบ้าง อ, อะไรนะครับราการศึกษาเศรษฐกิจเศรษฐ ก, กิจคืออะไรครับค้าขายเซลีไม่มีไม่ไม่คิดภาษีกันใช่มัรเราส่งมาก็ 0% เปอร์เเราส่งไปก็ศนซนะครับโจสินค้า3อะไรครับแรงงานครับตอนนี้เข้ามาถูกกฎหมายไหม ไม่ถูกถือว่าผิดกฎหมายแต่ต่อไปเป็นไงครับวิศวะเข้ามาจากมาเลยมาวิศวะพวกเราตกงานหมดหมอตกงานหมดพวกเราคนอีสานต่อไปก็คนลาวมาพม่ามาถูกกว่าเราไหมถูกา อ, อยางนั้นเราจะมีปัญหาไหมก็สามแล้วสี่อะไรครับการเงินแรงงานการลงทุนมาไหมครับอตอนนี้ยังไม่เปิดประเทศก็มาเพียบเลยใช่ไหมครับ มันต่อไปก็ อ, อันที่ห้านี่ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไรกันก็เนี่ยหมายนว่าหน้าต่างประตูเราจะเปิดทุกบานแล้วการค้าขายชายแดนซึ่งเป็นหน้าต่างเดิมเราปิดไว้แล้วก็หลอดหลอดรั้วข้ามรั้วข้ามลังคาไปค้าขายกันที่เรียกว่าผิดกฎหมายวันนี้เราเปิดไหมครับเปิดแล้วเป็นให้เขตเขตอะไรไหมเขตพิเศษเนี่ยคือหน้าตายอย่างเรามีมีโอกาสไหมถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีเงินไปลงทุนนี่คือประเด็นหมายความว่าคนไทยจะถูกมัดมือชก ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ใครครับคนที่มีอํานาจอะไรเอ่ยอํานาจอะไรครับเงินกับอํานาจกฎหมายพวกเรามีทั้งสองอย่างไห ม, ไมอํานาจทําไม่ใช่อำนาจเงินเออเพราะนั้นโลกสมัยใหม่เนี่ยปีหน้าจะเจอคือเราเปิดประเทศให้เป็นสิ่งที่อยู่กับอํานาจธรรมะซึ่งจริงไม่อยู่เหนือแต่เขาทําตัวเหนือกว่าเราตอนนี้คือเงินกับอะไรครับกฎหมายเพราะนั้นปีหน้าเราจะเจอของจริงไหม อันนี้ครับคือผมอยากบอกว่านี่ผมมาจากชาวโลกนะครับว่าเป็นการเสี่ยงครั้งใหญ่ที่สุดแล้วแค่นั้นไม่พอเราเอาบันไดไปให้เขาอีกไหมครับ<ช>บันไดนี้คืออะไรครับที่ใช้พมา่าใช้ปีนกำแพงสมัยอดีตนะไฮสปีดเรนใช้บันไดไหมใช่ไหมนึกภาพไปดีพมา่าจะมาตีเราต้องใช้บันไดใ ช, ใช่ไหมครับวันนี้เอาบันไดเราไแล้วใครเป็นคนสร้างบันได ออวันนี้เรากลับสร้างบันไดให้พมา่าขึ้นมาคือชาวจีนพมา่าเปลี่ยนเป็นจีนได้ไหมเปลี่ยนเป็นอเมริกาได้ไหมเปลี่ยนเป็นเขมรเปลี่ยนเป็นพมา่าลราขึ้นมาเปีนกำแพงเราได้ไหมแถวประตูประตูเปิดหน้าต่างเปิดเปิดบันไดเอาบันไดไปให้เขาอีกนี่คือชะตากรรมของเราปีหน้าไหมครับแล้วน้ําท่วมใครจะดูแล อันนี้คือชะตากรรมเราถูกมัดมือด้วยแล้วดำน้ำต้องดำน้ำให้พ้นน้ำไดยอย่างไรเพราะปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ปัจจัยโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงปัจจัยคนไทยด้วยคอสชอคืนความสุขให้เราโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงไหมใช้บุญนิยมไหมนี่งําทำไมเขาไม่ใช้ทั้งในหลวงก็พูดพวกเราก็ทํามา30ปีแล้ววันนี้เขาบอกว่าใช้สองละล้านกู้อันนี้ก็คือว่าวิธีคิดของทั้งโลก ที่ผมอยู่เนี่ยเปลี่ยนไหมเหมือนชาวโศกเพราะถ้าไม่เปลี่ยนและชาวศกเรามีแค่เนี้ยเราจะเอาโสมรอดเท่านั้นแล้วจะเกื้อกูลโลกให้รอดได้อย่างไรวันนี้จึงมาสู่คําว่าวรบอรนี่ภารกิจ2 อ, อย่างอย่างที่หนึ่งคืออะไรครับวร์บอร์ใครเดาได้ที่ท่านพ่อเสี้ยมสอนพวกเรามาตลอด30ปีให้รอดจากกิเลสซึ่งกําลังถาโถมมาปีหน้าเยอะไหมไฮสปีดเทรนนี speed เป็นของใหม่ไหม แค่อีโคคาเนี่ยพวกเราเป็นหนี้เพิ่มไหมรายงานเมื่อวันบอกว่าปีที่แล้วทุกคนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยผมด้วยคนละแสนนี่จริงเลยนะคนละแสนต่อครูเรือนปีนี้เป็นไงครับสองแสนเพราะอะไรครับอีโคคาแค่อีโคคามาเราเราผ่อนซื้อกันไหมใช้เงินอนาคตไหมทางประเทศใช้กันตอนนี้นี่คูเรือน็สิบอร์เซนนะครับสองแสนเพราะว่าไปซื้ออีโคคาโมไซค์ปิกอัพ แล้วปีหน้าถ้าเราเปิดประเทศมีไฮสปีดเทรนมามีมือถือรุ่นใหม่มาเหลือสี่พันซื้อไหมไม่ใช่ผู้ชาวสศกซื้อแต่คนพวกผมซื้อแหลกราเลยมันของรอใจเยอะไหมครับ<ช>ถามว่าชาวสศครอดด้วยกันชนะอะไรครับ ช, ชนะกิเลสตนเองแต่ถามว่าชาวโลกอย่างผมจะชนะไหม<ช>แล้วทำไมชาวโศกจึงสำคัญ<ช>เพื่อพอท่านบอกว่าต้องไปกอบกู้โลกแต่การกรอบกู้โลกได้ต้องซ้อมตัวเองไหมพลังกายกับพลังใจอ่ะ ทางกายต้องไม่เสร็จในทุนไม่เสร็จกฎหมายพลังใจต้องอยู่เหนือกิเลสถามว่าชาวโสกพร้อมไหมครับ <laughs> วันนี้จึงมีการจัดตั้งเหมือนการซ้อมลบอีกครั้งหนึ่งคือวอนอบวอนอบคือการซ้อมลบขั้นสูงเลยใช่ไหมครับคือซ้อมทั้งกายทั้งใจว่าพร้อมจะออกลบไหมกับกับกับโรคที่กำลังถาโทมมาวันนี้การที่เราทบทวนตนเองนี่ครับก็ คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีขอภาพมิจิครับอดีตปัจจุบันอนาคตผมพูดถึงอนาคตที่ใกล้ตัวเลยคือปีหน้าปีหน้าเนี่ยชาววรบอชาวอโศกจะได้เปรียบกับพวกผมเพราะว่าตั้งเกาะกำบงังสร้างเกาะอยู่บนอยู่เหนือทุนนิยมมาต้องงานแล้วคือบุญนิยมใช่ไหมครับมาสาสิปีแต่ทำยังไงจะเข้มอันนี้คือวรบอคือหลักสูตรที่ คุณหนึ่งฟ้าบอกว่าพ่อท่านก็บอกว่าคําว่าเอกภกาวะหรือหนึ่งเดียวเนี่ยกายกระจายเป็นหนึ่งนั่นเลยตัวของท่านใช่ไหมครับแต่ชาวาโศกมีกี่อาโศกครับวันนี้เยอะไหมเยอะวันนี้พ่อท่านบอกว่าต้องเป็นหนึ่งที่นี่ทีราดทานีทั้งที่ทุกคนจะแยกล่างไปอยู่ที่ไพรสลีอยู่ที่สันติอยู่ที่ปฐมแล้วแต่แต่วันนี้การเป็นหนึ่งเดียวคือการควบแกนนึกถึงผีเสือ้อนึกถึงหมอนภาวะการเข้าดักแด้มีไหมก่อนจะเป็นผีเสือ้อ ภาวะนี้นคือภาวะวรณบอรที่ผมเห็นนะครับคือการเข้าสู่ดักแด้เหมือนการภาวนาตัวเองใช่ไหมครับคือการเข้านิ่งตัวเองเนี่ยมันต้องนิ่งจริงๆเพราะนัการนิ่งของวรณบอรของชาวโสมที่เนี่ยคือการเข้าดักแด้ครั้งใหญ่ที่ต้องครอบกัน้นควบกล้าอย่างสูงมากเพื่อกลายเป็นผีเสื้อไหมการเป็นผีเสื้อคือการเปลี่ยนสภาพร่างกายและจิตใจใช่ไหมครับที่จะออกไปโผลบินใน อ, อวกาศที่ในอากาศที่มีภัย เสียงสูงมากซึ่งเดี๋ยวเราจะระดมกันนะครับเราะฉะนั้นภาวะดักแด้เนี่ยที่อีสานใช้ในการทําไหมสาวไหมเนี่ยแต่การสาวไหมนี่ไปทําให้เขาไม่เกิดเป็นผีเสือ้อแต่ถ้าเราจะเป็นผีเสือ้อเราต้องเข้าสู่ดักแด้ไหมนี่แหละครับคือวอบเท่าที่ผมเห็นคือการเข้าสู่ขั้นสูงของการเปลี่ยนร่างตัวเองเปลี่ยนใจตัวเองเป็นผีเสือ้อแล้วก็อิสระจากการเป็นหนอนซึ่งต้องอยู่กับโคลนตมการเป็นผีเสือ้อนี่คือการหลุดพ้นจากภาวะ อยู่กับอาจมอาสวะมันประเด็นนี้อนาคตภาพสุดท้ายตรงขวามือสำคัญไหมครับเห็นคำว่าโลกไหมเมื่อกี้เราพูดถึงอาเซียนไหมครับมันอาศกเราจะเจอถ้าอาศกอยู่บนที่สูงด้วยบุญนิยมอาศกรอดแต่คนทั่วไปรอดไหมครับอันนี้คืออาศกจึงมีภารกิจต้องช่วยชาวโลกคนไทยด้วยกันซึ่งจะไปทั้งน้ำท่วมทั้งกิเลสท่วมทั้งเงินท่วม ทั้งโอกาสลงทุนทั้งแรงงานเข้ามาท่วมประเทศไทยมันปี58เป็นต้นไปเนี่ยครับถ้าพ่อท่านชี้นําเรื่องจะสร้างโลกอริยะถามว่าโลกอริยะจะเกิดที่นอกอโศกหรือในอโศกครับอันนี้คือความจริงแท้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจะเป็นสังคมอริยะแล้วช่วยโลกได้อย่างไรให้เป็นอริยะตามนะครับก็จริงต้องมาทบทวนตัวเองแล้วก็ควบภาวะดักแดตรงกลางเนี่ยเป็นภาวะดักแดที่วอนอบอกให้ได้ได้อย่างไรภาพที่2ครับ อันนี้จะหเห็นว่าทำไมเราจึงสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้เป็นดักแด้เพื่อจะดักดานนะดักแด้เพื่อจะอะไรครับเป็นผีเสื้อเพื่อไปช่วยคนอื่นนะครับภาะวะของการเกื้อกูลโลกที่เรียกว่ า, อ, าอะไรกัมปานะนะครับโลโลโ ล, โลกานุวัตรโลกาณุกัมปานะอันนั้นคือภารกิจของชาวโศกใช่ไหมครับแล้วพอท่านชี้นาพวกเรามาตลอดซึ่งผมก็เห็นว่าทางรอดมีทางเดียวคือต้องใช้ให้ชาวโศกไปช่วย อันนี้ประเด็นนี้ก็คือการทบทวนตัวเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันเลยง่ายๆไม่ต้องเอาที่สืมากคือทราบจากพระท่านคิดว่าเราทบทวน S วอตมาคํานี้เป็นคําอังกฤษแต่ผมจะทําให้เป็นไทยหมดวันนี้ผมจะไม่พยายามพูดภาษาอังกฤษกับพวกเราเลยนะครับเพราะว่าพยายามจะเปลี่ยนเนยให้เป็นปาราเดี๋ยวเรามาช่วยกันว่าปาราของเราคืออะไรนะครับก็ประเด็นว่านอกกับในเนี่ย คำสั้นๆนะครับคือการทบทวนตัวเองเหมือนการนั่งภาวนาเราทบทวนว่าภัตตากระทบเราเราเราไหวตามภัตตาไหมแต่ถ้าไม่ไหวแสงว่าในข้างในข้างในเรานิ่งใช่ไหมครับถ้าเราไหวไปแสงว่าปัจจัยภายนอกสําคัญกว่าเรามากเกินไปเพราะฉะนี้ก็คือนอกกับในเหนมือนการภาวนาเหมือนการสวดมนต์เหมือนการปฏิบัติกรรมทั้งหลายแหล่ชั้นใดชั้นนั้นครับวันนี้การทบทวนของตัวเราที่เมื่อกี้ได้ยินคํา AT, ว่าสวอตภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือการ ดูสองตัวเองดูว่านอกกันไหนนอกนี่คือนอกอโศกทั้งหมดที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามถือวันนี้คือชาวอโศกที่รวมตัวกันที่ราชธานีอะไรที่อยู่นอกราชธานีและนอกชาวอโศกถือเป็นนอกหมดอย่างผมนี่เป็นคนนอกมาอันนี้ถือเป็นคนนอกนะครับผมยังปฏิบัติทําใไม่ถึงพวกท่านนะครับแต่ในคือใครครับ ในก็คือชาวโสดที่มีสัญลักษณ์อัตลักษณ์หลายอย่างเดีย๋ยวจะมาหาว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เป็นที่หนึ่งคืออะไรที่เรียกว่าจุดแข็งนะีมาแล้วคาแรกคือจุดแข็งซึ่งภาษาอังกฤษ ก, ก็คือตัว S นะครับตัวแปลว่า s t สตรองนี่เป็นคือความแข็งแรง strength ก็ไปเป็นความแข็งแรงเป็นเป็นนามทำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะดูวันนี้ดูแค่2เรื่องนอกก่อนนะครับ เรื่องในเดี๋ยวรพรุ่งนี้ค่อยขยับกันเพราะเรื่องในเนี่ยต้องแบ่งตามฐานไหมครับวเวลาดูว่าเราแข็งแรงเราจะดูตัวเองเนี่ยต้องดูภายในใช่ไหมครับเพราะในของใครของมันของราชธานีของไพราลีของสันติของปฐมและยังมีฐานงานเหมือนก้นไหมครับไม่เหมือนอีกบางคนเป็นฐานงานกษตกรรมบางคนย้ายหลายฐานในรอบสาสิปีที่ผ่านมาเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เราจะแบ่งกลุ่มตามฐานของอโศกที่เป็นฐานชีวิต บ, บนี่นะครับแต่บ่ายนี้ลองทดลองกันว่าเราเระดมมาสมหัวกันว่าปัจจัยภายนอกที่จะเอื้อที่จะเป็นโอกาสต่อชาวอสศกในการเกื้อกูลโลกและในการอยู่เหนือกิเลสจะทำได้อย่างไรนะครับมีแนวโน้มอย่างไรก็ภาพต่อไปครับให้ดูสองตัวนะครับในกับ น, นอกเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มนะครับเป็นสิบกลุ่มเดี๋ยวค่อยดูต่อไปเอาละครับ การแบ่งกลุ่มเหมือนการแบ่งฐานงานของกโศก ค, ครับเราต้องมีกติกากติกาที่หนึ่งผมคิดว่าใครที่ชอบพูดคา้านอย่างในสภาเราเห็นแต่ชาวโศกผมไม่ค่ยเห็นนะครับในสภาบอกคนหนึ่งพูดคนหนึ่งคา้านเลยเพราะนั้นอย่าทำนะครับกติกาคือเราผนึกกาลังกันมองเชิงบวกเออเพื่อนชมกันแต่ไม่ต้องชมไม่ต้องชมและฆ่ากันถือว่าความคิดของทุกคนเป็นไงครับไม่ฆ่ากันแล้วเท่ากันไหมครับ เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิคบัตรคําซึ่งหลายท่านอาจจะใช้มาแล้วบัตรคํานี่จะทําให้ความคิดของทุกคนแสดงออกได้หมดไหมครับออกไม่มีการชี้นาไม่มีการครอบงาไม่มีการล่อ ก, กันบ้านทุกคนกันเอาของตัวเองแล้วผมจะให้หนึ่ ง, งบัตรคำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะเก่งมาจะเห็นประเด็นสิบประเด็นให้เขียนใน1ประเด็นเองที่สําคัญสุดเพราะั้นทุกท่านจะต้องใช้ความคิดของตัวเองที่คิดว่าอันนั้นใช่เลย ที่หหรือสําคัญสุดนะครับนั้นบัตรคาจะถูกใช้ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มละสิบคนนะครับนั้นหน้าที่ของเราคือภาพที่2ครับคือการเมื่อรู้ว่าเท่ากันจะเท่ากันเหมือน10คนอะ่ะสิความคิดเหมือนกันได้ไหมครับอาจจะเหมือนและอาจจะไม่เหมือนใช่ไหมนั้นหน้าที่เราคืออะไรครับหลอมการหลอมคือการฟังกันแล้วก็จัดกลุ่มบัตรคํา เดี๋ยวชมจะให้ภาพต่อไปนะครับว่าการหลอมบัตรคําทําได้เร็วทําได้อย่างไรไม่ต้องถกเถียงกันนานเห็นเหมือนอย่างห้องถกเถียงที่สันเตียโศกนั่นคือการถกเถียงทางโลกแต่ทางธรรมเนี่ยเราน่าจะหาจุดหลอมที่เหมือนกันแล้วก็เป็นจุดบวกด้วยกันจุดที่ไปด้วยกันได้นะครับอาจจะแตกต่างเราก็จัดเป็นกลุ่มบัตรคำอันเป็นที่สามครับสามวันเนี่ยเราจะทํางานไปได้ตลอดเวลาเคลื่อนไปไโจทย์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ทุกท่านจะเห็นเองจะทําด้วยทีมครับถ้าใครช้าทําคนเดียวพูดคนเดียวผูกขาดพูดผูกขาดเป็นประธานผูกขาดทำผูกขาดนําเสนอภาษาโลกผมเรียกว่าเฉยครับไม่ใช่เก่งนะครับเราถือว่าเฉยจะเป็นภาษาธรรมก็ได้คนที่มักผูกขาดคนอื่นเนี่ยในทางโลกอาจจะถือว่าเด่นเก่งแต่ในทางธรรมคมคิดว่าเฉยนะครับเพราะเราต้องแบ่งปันการการนำเสนอการหน้าที่ในกลุ่มนะครับก็แต่การทํางานเป็นทีม ด้วยเวลาที่ตกลงว่าครึ่งชั่วโมงนะก็ต้องครึ่งชั่วโมงต้องทำให้ได้ตามเวลานะครับแล้วก็ต้องทำงานเป็นทีมช่วยกันประเด็นที่4ี่นะครับเอาละจะทำเป็นทีมฟุตบอลต้องมีตำแหน่งครับมีตำแหน่งศูนย์หน้าตำแหน่งกองหลังชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าใครดูฟุตบอลเป็นนะครับหรือแบ่งงานกันในฐานก็ต้องแบ่งหน้าที่หน้าที่ที่สคัญมี3มคนครับคือประธานและคนจดบันทึก ชนบัตรคําทุกคนเขียนแต่การช่วยกันจัดบัตรคําและการมานําเสนอจะมีการนําเสนอเป็นบางครั้งนะครับนั้นถ้าใครทําไม่ดีและเขียนบัตรคําคนเขียนบัตรนี่ใจหวัดไหมครับวัดคนเขียนสวยใจสวยไหมสวยเพราะอะไรครับอยากให้คนอื่นอ่านออกไหมอ่านะครับเพราะนั้นบัตรคําที่เขียนสวยเนี่ยแล้วเขียนตัวใหญ่ๆเนี่ยก็แสดงว่าตั้งใจให้เพื่อนเห็นว่าฉันคิดอย่างไรแล้วช่วยการจัดบัตรคํารวมหลอมได้เร็ว เพราะฉะนั้นใครที่เขียนบัตรคำวัดบัตรเนี่ยก็แสดงว่าไม่สนใจเพื่อนไม่อยากช่วยเพื่อนนะครับมันก็จะใจก็วัดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นคนเขียนบรรจงเหมือ น, นผมเขียนตัวโ ต, ตผมก็อะไรมันไม่สวยหรือบางทีวาดภาพนะครับก็ประเด็นที่ห้าที่สี่นะครับการตรงเวลาถ้าเราบอกว่าครึ่งชั่วโมงนะก็ต้องอยู่ในครึ่งชั่วโมงให้ได้นะครับสุดท้ายคือมือถือถ้าคิดว่าชาวโสกเขาไม่มีมือถือนี่เป็นเป็นผมใช้กับมีแหละครับ มีก็ต้องปิดนะฮะเพราะไม่งั้นในกลุ่มเดียวก็เอ้ยตกลงกันกลุ่มเราสิประกอบทุกคนมีมือถือเข้ามาสิบคนเลยก็เลยไม่มีการทํางานในกลุ่มเลยก็ทุกคนไปรับมือถือหมดมัน ถ, ถ้าจะให้ได้งานแล้วไม่รบกวนเพื่อนก็ให้ไปพูดนอกห้องนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ปิดมือถือนะครับเพราะว่าเราจะได้เคลื่อนงานไปพร้อมกันรับได้ไหมครับกติกานี้หนัก ไ, ไหมครับ เสียงของกระสุกหนักกว่านี้อีกภาพต่อไปครับอันนี้เป็นกติกานะครับเพื่อฝึกการระดมให้เร็วนะครับภาพต่อไปครับอันนี้ผมจะไม่ได้บรรยายเนื้อหาทลายให้ให้ทุกท่านทำเลยแต่จะบอกกติกาที่ทําให้อ่านี้เมื่อกี้ไปแล้วนะครับคือสามคนนี้ให้หมุนกันว่าประธานก็ก็แบ่งกันเป็นนะครับแล้วก็ผู้บันทึกผู้นําเสนอ ถ้าบางครั้งจะต้องนํามาเสนอคนคนนั้นก็ต้องรู้จักอ่านบัตรคําเพื่อนไม่ใช่มานั่งอ่านทุกบัตรคํา10บัตรคํา10ประเด็นเสียเวลาต้องฝึกเขาเรียกอะไรครับสังเคราะห์วิการจะสังเคราะห์ได้ก็ต้องวิเคราะห์ว่าบัตรคําเพื่อนมีกี่กลุ่มมีกี่ประเด็นแล้วมีประเด็นอะไรที่คล้ายๆกันแล้วเชื่อมโยงกันไหมคนที่สรุปได้เร็วก็คนที่จัดระบบความคิดของตัวเองอันนี้สวอตนี่เป็นเครื่องมือการฝึกสังเคราะห์ครับ ไม่ใช่ฝึกวิเคราะห์วิเคราะห์นี่เป็นเรื่องง่ายๆแต่การเชื่อมโยงและสรุปในเวลาอันสั้นนี่คือทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในในสวรผมเพิินผมใช้ภาษามายแมพซึ่งทุกคนจะเริ่มเห็นมันก็จะเร็วขึ้นภาษาโน้ตผมจะเป็นกระตูนบ้างเขียนเป็นคำๆผมไม่เขียนเป็นวลีในที่สุดผมเขียนเป็นวลีไม่เป็นเพราะว่าเขียนแต่คาที่ผมเขียนจะเป็นคำคำเรีอะไรครับคําหลักคําหลักคือคําที่แทนความคิดฟังเขาพูดมานต้อง10นาที5นาทีจับได้ว่า ประเด็นสำคัญคืออะไรก็เขียนอยู่แค่หนึ่งคำสองคำเองสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะถามว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ชาวโสมถามว่าอโศมมีอัตลักษณ์อะไรที่เด่นทุกคนพูดเลยครับครับขออาสาสักหนึ่งทานเดี๋ยวผมจะเขียนบัตรคําเห็นอัตลักษณ์ของชาวอโศกคืออะไรครับยกมือครับนี่นี่กติกาถ้าใครอยากพูดก็ยกมือเชิญครับมังสวิรัต <c oughs> <c oughs> อะไรครับ เขียนแค่นี้รู้ไหมครับเนี่ยทานผมก็ตัดออกไปเขียนว่ามังสวัลรู้่ะนี่อัตลักษณ์อโศกแล้วอะไรครับถ้าอีกคําก็คือเอาไว้ด้วยกันก็ได้บวกถ้าจะแต่ศี่ห้าก็แค่นี้จะบอกว่าทําไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตเอาคํารูปยอดเลยศีห่ห้านี่คือบัตรคําเพรา ะ, ะบัตรคําจะไม่เขียนอะไรเยอะๆแล้วเขียนความคิดที่เป็นรูปยอดเนี่ยแค่นี้ครับ มังสวิรัตินห้ารู้แล้วว่าคืออโศกแล้วเขบอกอโศก ค, คืออะไรก็แค่เนี่ยแต่ว่าอธิบายเพื่อนก็อธิบายยาวหน่อยได้แต่คําที่อยู่ในบัตรคําต้องสั้นไหมครับตัวโ ต, วตวไหมความคิดต้องเป็นงบคิดหลักไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปขยายความวามังสวิรัตคือการไม่ทานเนื้อกินเจใช้ไม่กินนมกินไข่รายละเอียดเยอะไปนะครับไม่ต้องมาเขียนว่าไม่กินผักไอ้ไม่กินเนื้อเขียนมังสวิรัตถ้าถ้าเป็นภาษาที่เรารู้กัน ภาษานี้คือต้องชาวอโศกต้องรู้กันเองนะครับจะใช้คําใหญ่คําเล็กและแต่มังสวิรัตนี่ก็เป็นคํายากถ้าบอกไม่กินเนื้อก็เป็นคําที่ชาวบ้านรู้กันถ้าเป็นศาลก็เป็นคําก็ภาพต่อไปครับอันนี้เป็นการใช้บัตรคํานะครับเพื่อการระดมอันนี้จะลงเรื่องบัตรคํานิดหนึ่งครับบัตรคำเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมเขียนว่าคําว่ามังสวิรัตกับคําว่าศีลห้าหนึ่งบัตรคํามีกี่ประเด็นครับเมื่อกี้นี่มีกี่ประเด็น สองประเด็นเป็นบัตรคําที่ไม่ดีบัตรคําที่ดีคือหนึ่งบัตรคําเขียนได้กี่ประเด็นครับหนึ่งประเด็นแล้วสั้นแล้วตัวโตมันอย่าเขียนว่าเออฉันนึกได้หอย่างเขียนมันห้าอย่างเลยในบัตรคําพัาะบัตรคําเนี่ยเราจะแจกเป็นถ้าเป็นกระดาษนี้ก็จะพับครึ่งพับพับครึ่งอย่างนี้นะครับเพราะันทุกคนก็เขียนหนึ่งประเด็นหนึ่งบัตรคํานะครับบัตรคําเป็นเทคนิคของเยอรมันคนไทยคนไทยจังเกตมาในที่ประชุมเนี่ยจะพูด เวลาระลงความคิดจะพูดอยู่ไม่เกินสิบคนในร้อยคนเนี่ยลองสังเกตไหมครับนั่นคือวิธีไทยๆหรือตัวนออกจะมีคูด่แต่บัตรคําให้ใช้บัตรคําทุกคนได้พูดไหมได้ไหมพูดผ่านบัตรคําแสดงความคิดแต่ว่าพูดน้อยแล้วเราก็ให้โอกาสพูดถ้าไม่เข้าใจบัตรคําสั้นหรือบางคนวาดภาพก็อธิบายได้แต่สั้นแตน่เป็นเปิดโอกาสทุกคนไหมครับนี่คือความที่เยอรมันเขาผ่านยุคนาซีมาเขายังคิดบัตรคํามาเพราะก็พบว่า เปบเทียบกับมีการคือมีการจะใช้การระดมความคิดเดยอ๋มันก็เลใช้วิธีที่ทุกคนเท่ากันไหมครับมันความคิดเนี่ยจะทุกคนได้คิดก็กลั่นออกมาเขียนมาเพฉะั้นบัตรคํานี้ทุกคนต้องใช้นะครับในในสาวันนี้เพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าแต่อโศกมีจุดแข็งอะไรแต่ทุกคนไม่เขียนมาจะไม่รู้ว่าว่ถมต่างกับต่างกับรัฐธานีอย่างไรแล้วก็จะหลอมกันจุดแข็งได้ไหมแล้วจุดอ่อนแต่ละที่เนี่ยมันเป็นจุดอ่อนที่เป็นของชาวอาโศกแต่แต่ละที่อย่างไรมันทุกคนต้องสกัดออกมาเป็นบัตรคํา แล้วบัตรคาที่ดีต้องเขียนไหมครับ<ม>ข้อสองนะครับข้อสามคือสเต็ปต่อไปคือติดติดแล้ววิธีติดถ้าคนติดบัตรคาเป็นจะติดต่อต่อก็เป็นพืชหรือติดตามกลุ่มครับสมมุติเมื่อกี้ผมไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยผมเขาคิดในใจอโศกเป็นยังไงอดีตเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตเป็นอย่างนี้จะติดติดพืชไหมเพราะฉะั้นคนที่ฉลาดจะติดแยก เดี๋ยวเราจะแจกคลิปชาร์ตมีกระดาษสระเปาในหน้าจอนะครับมันคนที่ติดบัตครคาเปลี่ยงเป็นพลชดเลยกูติดบอกให้ติดอาจารย์เนี่ยพอดก็ติดต่อไปนี่เ้าเรียกว่าถมถ้ามัธยบก็ติดเป็นกลุ่มถ้าอุดมเนี่ยบอหนาบอต้องติดโอยจัดความคิดไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องอดีตตรงนี้เรื่องอัตลักษณ์ในอดีตฉันเป็นอย่างนี้อปัจจุบันจุดแข็งของอโศกเป็นอย่างนี้อนาคตหรือสมัยอดีตเมื่อเมื่อ30ปีเป็นอย่างนี้ก็แยกเวลาก็จัดไปเมื่อตอนอดีตเป็นอย่างนี้ แ ย, แยกเวลาเข้าไปในถามวันเวลาใส่ไปในกระดาษหรือเปล่าครับไม่ได้ใส่แต่ใส่ในสมองเราใช่ไหมครับอันนี้คือวบครับคือจัดระบบความคิดในใจจึงติดบัตรคำให้ให้ง่ายต่อกันนั้นเวลาผมฟังทุกท่านเห็นไหมผมสรุปได้เร็วมากเพราะผมฟังปุ๊บผมจะจดประเด็นทุกคนแต่จดตามผังที่ผมเริ่มจัดระบบความคิดไว้ในใจแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือการทําให้บัตรคําทําไงครับสรุปได้เร็ว อันนี้ก็จะบอกเทคนิคนะครับเพราะสุดท้าว่าทุกคนใช้บัตรคาแล้วกันนะครับแล้วก็สั้นสวยจัดกลุ่มแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็อธิบายได้ให้เพื่อนฟังแล้วก็ให้เพื่อนเห็นแล้วก็ติดลงไปนะครับแล้วก็ช่วยกันจัดกลุ่มคนจัดนี่ก็อาจจะไวัยน้อยหน่อยเพราะต้องคุกเข่าต้องย้ายบัตรคําใช้กระดาษเก่าวยนติดนะครับก็มีใครสงสัยไหมครับบัตรคําที่ว่าหลายท่านคงใช้แล้วแต่นี่ผมเอาอประสบการณ์มา แลกเปลี่ยนเพื่อให้เร็วขึ้นชัดไหมครับบัตรคำชัดนะครับพยายามฝึกไปเดี๋ยวเราจะเก่งเองแล้วเขียนโตโตวสวยๆเองแล้วเดี๋ยววันที่สามถ้าใครเก่งเราเขียนเป็นรูปเลยผมเนี่ยทำงานกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเลยต้องใช้รูปบ่อยๆ อ, อย่างนี้เห็นกระโหลกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้โจทย์เดี๋ยวอยู่ในโจทย์งั้นเ อ, เอาครับโจทย์เดี๋ยว เ, เราจะแบ่งกลุ่ม เ, เดี๋ยวระหว่างนับหนึ่ถึงสิบไหมครับ เราจะค้าก่อนทางนู้นก่อนนะครับเรียงไปเลยหนึ่งนับหนึ่งุกุณานับหนึ่งเยครับสองครับสามีห้าใครนับอะไรจาไว้นะครับออพอทีเราไม่นั่งเป็นแถวนับต่อไหมครับใครไม่นับรีบนับจะได้รู้ว่าตัวอยู่กลุ่มไหนเดี๋ยวจะแบง่งเป็นสิบกลุ่มเท่าไหร่แล้วครับ สิบแล้วนะครับเร็วหน่อยครับหนึ่งอัลเลมหนึ่งหมคใครไม่นับก็ขานต่อเพื่อเลย ห, ห, หกเจ็ดเลยครับ ใครไม่นับแปดเลย ข, ขาขาเราจำไว้นะครับหนึ่งเเลยครับเดี๋ยวเสียเวลามากครับเราจะแบ่งกลุ่มนะครับเอาเอาเลยครับเพื่อเพื่อให้แบ่งกลุ่มเอ่อต่อไปเลยครับใครนับเลขไหนก็อยู่กลุ่มนั้นครับ เลยฮะเอาต่อไปเลยครับอย่าให้สะดุดครับ ใครกลุ่มหนึงครับใครนับเลขหนึใครนับเลขหนึ่งใช้มือเอาเสาในหทีละ เ, เสาเนี่ยเสียงยังไม่ตีกันนะครับให้ไปนั่งใกล้ๆเสาหนึ่งสองสา1ส้าเดแดเก้ินะครับเดี๋อย่าเพิ่งลุกอย่าพ่ลูกาารครับยังไมา่ได้รู้โจทย์ใครทับ2ครับดูหน้าดูตากันไว้นะครับ2ไปเสานน้นนะฮะสาดูเสาน้นครับ3 3 4สี่ ยังไม่ลุกครับยังไม่ลุกเดีย๋ยวลุกพร้อมกัน5้าห้ากลุ่มนี้มีโจทย์นี้นะครับให้มองอนาคตคนไทยนี่ติดอดีตแล้วแคร์โคตรแคร์เลยคนไทยเนี่ยฆ่ากันเหลืองแดงที่เห็นเราจะเปลี่ยนมองว่าแนวโน้มอะไรที่ในอนาคตผมไม่บอกว่ากี่ปีเราคาดว่าจะเป็นโอกาสให้ชาวโศกฟังคำถามพี่นะครับที่บนกระดานแนวโน้มอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเอื้อ ต่อชาวอาศกทั้งต่อการลดละกิเลสและต่อการที่จะเกื้อกูลโลกทั้งในและนอกนะครับแนวโน้มอะไรที่จะเอื้อชาวอาศกทั้งห้ากลุ่มคิดนะครับด้านนี้คิดเชิงบวกชัดไหมครับให้มองอนาคตจากความรู้จากแบ่งปันกันในข้อมูลเท่าที่มีเท่าที่ได้ยินในฟังมามองอนาคต ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรรอบๆอโศกในอโศกของท่านที่สันติอโศกที่ปฐมโศกและที่ลาธานีนี้ก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องมองที่อีสานที่นี่เท่านั้นมองที่จากที่ท่านตั้งอยู่ว่ามีความรู้อยู่ว่าอะไรที่จะเป็นแนวโน้มที่เอื้อต่อชาวอโศกไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่รวมตัวกันวันนี้ชัดไหมครับมองแนวโน้มที่บวกมองอนาคตมีสองคำนะบวกกับอนาคตและเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเชื่อถือได้ มีหลักฐานไม่ใช่ฉันฟันนะฉันฟันว่าจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้อ้างข้อมูลจริงที่ว่าได้มาหรืออย่างตัวอย่างว่ามันจะเกิดเส้นทางขนานใหญ่มาอีสานหนองคายตัดโผลไปลาวอันนี้ก็เป็นโอกาสถ้าชาวอโศกมองเป็นโอกาสว่าจะเกิดการค้าขายปุ๋ยจะขายดีเป็นโอกาสไหมครับเป็นไหมรถไฟล้างคู่จะมาอย่างนี้นะครับหรือชาวอโศกจะได้รับการเป็น ต, ต้นแบบเรื่องปุ๋ยเรื่องการวิธีพอเพียงอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เป็น ห5้ากลุ่มนะครับคดีใครกลุ่มที่หครับยกมือครับหกโอ้ยน้อยจังหกหตรงนี้นะครับเจ็ดยกมือครับยกมือครับเจ็ดแดเสาวน้นครับเก้าสบโจทย์ข้อต่อไปครับอันนี้ฝึกให้มองด้านหัวกระโหล ก, ห ก, ลกครับใพ่คุกขามอ่า เพราะเราจะแบ่งงานกันทําสรุปว่าซีกซ้ายเนี่ยมองแนวโน้มที่เป็นบวกซีกขวาเนี่ยมองทั้งปัจจุบันและอนาคตด้านขวาเนี่ยแต่มองเชิงลบอะไรที่จะคุกคามหายนะอย่างเช่นเนี่ยเมื่อเช้าเราไปน้ําจะมาเป็นภัยที่คุกคามชาวอโศกทั้งธรรมชาติทั้งคนทั้งโลกก็ทํางมนุษย์และสัตว์ทุกอย่างนะครับให้เขียนออกมาคนละบัตรคานะครับให้คิดที่สําคัญที่สุดนี้โจทย์นี่ชัดไหมครับ ให้กลุ่มหกลุ่มเจ็ดกลุ่มแปกลุ่มเก้ากลุ่มสบยึดเสานั่งกันรอบใกล้ๆเสาเพื่อห่างกันแล้วก็สองเนี่ยระดมความคิดกันในกลุ่มว่าหลังจากตกลงกันนะครับใครเป็นประธานใครเป็นเลขาใครอาจจะช่วยช่วยติดบัตรคำว่าอะไรคือภัยคุกคามหรือหายานาภัยที่ชาวสศกมีโอกาสเสี่ยงเพผลอตายด้วยในทางทบทวนตัวเองในทางสงครามหรือทาง ธุรกิจนะครับอะไรที่ไม่ทําแล้วตายนั่นคือสําคัญครับเหมือนเหมือนรักษาถ้ารักไม่รักษาก็หายแต่ถ้าไม่รักษาแล้วตายไอ้ตรงนั้นแหะคือต้องไปหาหมอหรือต้องรักษาตัวเองนะครับเั้นให้คิดถึงความเสี่ยงขนาดขั้นที่จะต้องล้มหายตายจากกันไปเลยชาวโศกอาจจะถูกกึนไปเลยกับโลกรีทั้งหลายแหล่อันนี้ก็ให้คิดถึงภัยคุกคามชาวโศกและลูกหลานชาวโศกในอนาคตนะครับชัดไหมฮะ คิดได้ทั้งปัจจุบันแลนะอนาคตแต่คิดเชิงลบลบที่แนวโน้มที่เห็นจริงแล้วก็มีหลักฐานจริงมีข้อมูลจริงนะครับอันนี้คิดด้านลบเชิญครับถามอะไรครับเอาพวกชาวโซกจะสักกี่ปีครับห้าปีสักห้าปีดีไหมครับ ผมเดิม่จาจะกำหนดปีแต่คิดว่าขับถามดีดีครับสัก5ปีนะครับเพราะว่าปีที่เสี่ยงที่สุดคือปีหน้าหลังปีหน้าผมว่ามันก็จะเป็นเขาเรียวกว่าทอดน่องแบบเดียวกันภาษาเกลื่อโมเมนตัมเนี่ยมันจะเกิดภาะวะคือถ้าเปลี่ยนเป็นเซนามิก็คือเซิรมิทางการเงินจะเข้ามาขนาดใหญ่ในประเทศไทยแล้วอะไรถ้าไม่ถ้าอะไรที่กิเลสพาไปก็จะล้มระเนระนาดเพราะคลื่นลงทุนจะมายกตัวอย่างเงินที่ลงทุนนี่จะเปลี่ยนเป็นการกว้านซื้อที่ดีได้ไหม เปลี่ยนเป็นยาเป็นพืชเกษตรผสมผสานเป็นยางพาราได้ไหมอันนี้แหละครับคลื่นการเงินที่จะเข้ามาถมพวกเราเป็นสัมภทานท่อแก๊สได้ไหมท่อสัมภทานน้ํามันได้ไหมเห็นไหมได้ทุกอย่างเพรั้นเราไปคิดเองนะครับว่าอะไรจะกระทบชาวโศกอย่างเนี้ยแล้วมันมันมันกระทบชนิดที่ถ้าเราไม่แน่จริงเราถูกกระเด็นไปเลยเพราะกิเลสมันแรงมากก็ฝากกลุ่มหกเจ็ดแปดเก้าสิบคิดนะครับชัดไหมครับ ให้ทุกคนคิดได้คนละหนึ่งประเด็นเท่านั้นเองนะครับแล้วให้หลอมเหลือที่สำคัญสุดยอดสักสามประเด็นหนึ่งสองสโดยวิธีไหนผมไม่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้อีกวิธีหนึ่งวันนี้เอาเอาดูกันว่าชาวโศกเนี่ยใช้ทีมเวิร์กแบบไหนให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมง ทุกคนหนึ่งขั้นแรกทําโดยแต่ละคนคือคิดว่าอะไรมันบวกว่าอะไรมันเอือ้ออะไรมันภัยคุกคามมันลบคิดได้ชัดมากแล้วสําคัญมากเขียนไปหนึ่งบัตรคําอธิบายให้เพื่อนฟังแล้ววางลงไปบนกระดาษฟิล์มชาสละเปาแล้วก็เลขาก็ติดนะครับเส็จแล้วมันจะติดกี่บัตรคำครับทั้งหมดในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีกี่บัตรคํามีสิบคนก็มีสิบบัตรคําเอาละคราวนี้จะดูฝีมือชาวโศกจะให้เหลือสามที่สําคัญสุดในแต่ละกลุ่ม ได้ยางไรสามปัจจัยเท่านั้นเองแล้วเรียงลำดับมาด้วยอันดับหนึ่งอันดับสองันดับสจะเรียงได้ยังไงให้เวลาครึ่งชั่วโมงอาจจะสีห่หาทีเดี๋ยวแถมให้ชัดไหมครับชัดอย่างนั้นขอเชิญแต่ละกลุ่มครับ 1-10 เข้าประจําเสาเลยครับจากนี้ไปเราอุปกรณ์ขอทีมเลขาเลยครับกระดาษปากกาบัตรคาแล้วก็กาว ไปรวมกับใครก็กลุ่มสามก็กลุ่มเอื้องแยกแยกไปอันเดียวใช่เดียวกลุ่มสา็ไม่ทำอะไรแนแนวโน้มอะไรที่เอื้องแนวโน้มอะไรที่เอื้อต่อชาวโวนที่จะทำนห้พัฒนาต่อไปได้อย่างดีเป็นโอกาสไม่ใช่แต่ละเสาแต่ละกลุ่มนี้7จ็ดแปดหใช่ใช่ มาตั้งหน้าเนี่ยคนจะได้เห็นกรครั บ, รบไม่ใช่เสียงนะครับใครที่นับเลขเดียวกันก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันครับแล้วคิดโจทย์โจทย์เดียวกันคือ678 9็นี้คิดเชิงลบนครับนั่งเอากระดาษ เ, เลขขาครับขอกระดาษแจกครับปากกากาวบัตรคำครับเอ่อ เอาตกลงกันเองนะครับว่าใครจะใครจะช่วยเขียนบัตรคำแต่ทุกคนเขียนบัตรคำตัวเองก็ได้วิธีไหนก็ได้ที่ทำงานเร็วที่สุดครับขณะนี้บ่าย 2.20 โมงนะครับให้เวลาถึงบ่าย 3.00 โมงเท่านั้นครับกระดาษสระเปาครับกระดาษฟลิปชาร์ท เพื่อจะติดสามบัตรคำว่าอะไรเป็นโอกาส แบบนี้กระดาตรงนี้ออกกระดาษติดกระดาษติดสองแผ่นครกระดาษกระดาษติดให้สองแผ่นกระดาษติดสองแผ่นกระดาษติดตั้งติดตั้งสองแผ่นอ๋อถ้ามีตั ว, ตวสวัสดิ์ขึ้นนะบัดใจ เอาเอาเอาตน้นก็ได้ก็ดาษะโปรเจกเตอร์ก็ได้กรบอร์ดากระดัษติดกระดัษไม่เป็นไรให้เขาาแยกไปก็ได้จะได้เสียงไม่ตีกันไอ้ไอ้ฟลิปชาร์ไม่เห็นแจกเลยกลุ่มละสแผ่นเดียวพขอตัวอย่างดูจะได้กระดาษสระเปาเยอะะแจกทุกกลุ่มแล้วปากกาครับ เมืมาผจะเข้ากลุ่มไหนครับอ๋อเข้ากลุ่มไหนก็ได้กลุ่มไหนที่น้อย้กลุ่มไหนที่น้อยแล้วไปถามเพื่อนอ๋อช่วยช่วยติดให้ผมหน่อยติดติดสแผ่นตั้งอ่าบอร์ดนี้2แผ่นจะเขียนโอกาสกับให้คุกคามติด2แผ่นแล้วแล้วแจกทุกกลุ่มไหมยัง เดี๋ยวไปแจกครับไปแจกคนนี้แล้วแ จ, แจกกลุ่มคนแล้วต้องเาปากกาปา ก, กกาให้แล้วปักไปทำแจกกระดาษที่มีนะเนี่ยให้ก็ติดอย่างนี้จะรีบาิ้นคือถ้าติดโอกาสแบบหนึ่งแล้วเน็ปสองสองด้านเอาออเอาฟางนี่นะนี่คือนี่คือเ อ, อื้อ ในเสียงนะอ็อันนี้ก็คือบวกติดบัตรคำเขาติดเยอะแต่ว่าดีที่สุดคือเหลือติดบัตรคาครับ3นะฮะ่แค้ต่เตตข า, ต, ต, ขาต้องหลบ ก, กันแล้วเหลือ3านั่นเองและนี่ก็คือขายคู่ขาขายกาย็จะเหลือ3เหมือนกันเนี่ยบอกให้แบบ ข, ขึ้นเป็นเอื้ออันนี้เป็นลบ ก็เขาเขาทำกลุ่มเดียวแค่แค่กลุ่ม